ท่านประโยคนาวาจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนจอรการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจรณนะมีสิบห้ายอย่าง ขอท่านนัหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระรพุทธพจน์ก็องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านัหลายบวชมาแล้ว ท่านใช้คําว่าเป็นพระก็เลยคําเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอริยะข้างหลังเท้าว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัญญาณชนเพราะกัญญาณชนก็หมายที่ว่าเป็นผู้ทรงชานสมาบัติถ้าเป็นกัญญาณชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชน สาธุชนนี้หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริงในไหนท่านนั่งหลตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านนั่งหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อกุจิตบริสุทธิ์ถ้าอรมณ์จิตเคลื่อนทันยังท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชน ความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเลวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาถ้ามีพ่อรหญ่ประว่าิชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีสินได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกันยาในชน เวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหว้กันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอาริยชนเป็นสําคัญเพราะว่าอาริยชนระแบ่งกันเป็นหลายชั้น หรือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอรหันสำหรับพระโสดาบันนี้ก็อยู่ในขั้นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามรายการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติ คำว่าระวังในสินจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้มันได้หมายความว่าปล่อยให้สินมันหายไปหมดคือให้สินจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาสินโดยไม่ต้องระวงังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์หายใจมันเคลื่อนไหวไปตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะมีลมหายใจเข้า ใ, ใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นหรืยาวก็เป็นไปตามความต้องการของราอ่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรับสั่งข้อนี้มีประมาชั้นใดการรักษาสินบริสุทธิ์ของพระโสดา บ, บันก็เป็นเช่นนั้นให้สินมันอยู่ในขอบเขตเป็นอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จริงจะเป็นการสมควร แล้วนอกจากนั้นพระสงฆดาบันก็มีอารมณ์รักพันิยานเป็นอารมณ์นี่กืว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากล่ลํารวยยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทําไม่ได้ผมก็สลดใจอย่างยิ่ง ทีบรรดาพิสุทธสมณีนบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะส่งความดีเดิมไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอยายตนะสามิสองครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมที่เรามีศีลมา ก, ก่อน ที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในกาลก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารตมีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อน และถ้าบังเอิญในขณะนี้ท่าหนหลายไม่สามารถจะส่งความดีตั้งสามรายการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากลับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่ขึ้นหนึ่งเดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนราดอาศัยเมตตาความรักกรุณานความสงสาร เราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอสัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราดีขึ้นีปนิดหนึ่งเพ้่จิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกคตาอารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตแล้วมีจิตคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เอง เป็นการเสริมของเก่าจึงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอาตมพบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงเจรณะข้อที่หกเจรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเราเจรณะข้อที่หกว่าหิริแปลว่าความระอายแก่ใจนี่ใจของเราควรจะระยตรงไหน เอาใครไปอายใจกันกร็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสมัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนประมาณได้จากไหน เราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สิสนก็เพื่ออาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในการก่อนในการทีร่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพร่ออาศัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรยัยทั้งสามราะการคือพระพุทธรัรตรนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ เรามีปัญญาเพราะอาศัยจิตเราเคยอบรมธรรมมาก่อนนี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ามีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอยขององค์สมเด็จระสัมมาสัพพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งอาย อายตรงไหนนะถ้าขณะใดที่จิตใจพวกเราละเมิดในศีลเนิร์สมันคิดจะละเมิดก็ควรจะละอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วก็อะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือ แต่กว้จิตใจของเร า, ราไรเมตตาความรักกรุณาความสงสารซึ่ง ก, กันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทําลายความดีคือทางการกุศลที่เราเคยให้ให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะคนคงทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอืน่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบา ย, ยบภูมิเหมือนกัน ถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดอย่าทำนองครองทำตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราเขาไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่วกายคิดปะทธร้ายจะเข้าใจปะทธร้ายบุคคลอื่น วาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดยยส่อเสียดยุแยงแต่แขงแสเขาแตกราวกันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สําหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบุคคนอื่นในเหตุนานาประการนี่ผมจะไม่พินนะาตามแบบ รมรวมความว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็สแสดงว่าเราเลวเราต้องไกลไปอบัยภูมินี่ควจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนเพราะในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่ว เรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมไม่มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเพราะว่าสั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอนุความดีทุกอย่าง ตามคําสั่งสอนของงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรว่าตามพระธรรมวินัยเนื้อความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทบัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นขอน้ขอนี้เราก็ไม่ละเมิดเนืความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เิ็การขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทํา สิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทําสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ไม่ทําถ้าอรมณ์มันคิดจะทําจงมีความระอายว่าเราเห็นจะเลวมากกว่าเสียแล้วมีรวมความมาความระอายใจใจก็เรียกระ哀ความเลวนี่สำหรับคําสอนในเจรณะสิ่งที่ควรประพฤติ ข้อที่เจ็ดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอดตัปปะเรื่อแปลเป็นใจความว่าความเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทำไม่กล้าทำเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทำเพราะความกลัวทำไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเขาก็ลงโทษตามกฎหมาย เกรงความเร่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพาการกระทำความชั่วถ้าเราละเมิดต่อเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งในเหตุนานาประการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรมตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเราความเร่าร้อนใหญ่จะปรากฏ เพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นย่ายและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับสำหรับความสำหรับศีลธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวสีงขาดไม่กลัวในการทำลายศีล เมื่อทำลายสิงข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำลายเขาผลเจ้าได้รับผล ท, ทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำลายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเองถ้าเราเป็นคนชอบรักชอบขโมย แล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราแล้หากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักขององุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดเรื่องตัวเราคิดเรื่งเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้างถ้าเรามีวาจาไราสัจจะไรความจริงกลาววาจาหยาบ แค่ได้ชอบอยุโยงสอนเสริมว่าจะไม่เขาแตกร้าวกันพูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคามกับเราหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสําคัญแล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรา นี่การดมศีลเป็นปัจจัยของความสุขแล้เป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายนี่อารมใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยึงได้ตรัสให้อายจาอความชั่วด้วยแล้วเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิด แต่ว่าท่านหลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วจะเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดีความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดา เพราะว่าเดิมหนยเขเองอกุโสและกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในเหตุบามใดกรแล้วก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลือเธอตลอดเวลายังไงยังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่สำหรับจรณะข้อที่แปดคือความประพฤต อดีตแปดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพาหุสั จ, จคำว่าพาหุสัจแจปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษา ม, มากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจาได้มากได้ยินมากได้ฟังมากตึกสา ม, มากเทาตาเป็นตาก็ทท่วเอาหูเนหูกระทะ เห็นคนสอนก็เ <Bien> ห <ven ido> ็นได้ย <playthrough> <ng> ินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จำมันจะเป็นพาหุสัจจะได้ยังไงนี่ผมไม่ได้ตำหนิท่ามีแปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่าคือพาหุสัจจะแปลว่าพูดทรงความจำไว้ดีดีเรียกว่าพาหุสูตรอย่างพระอนุน พระเป็นนลพระอนุลเป็นพระพุตตุอุปถาข้าองสมเด็จพระทศพลและพระพุทธเจา้าทรงยกย่องสังเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพระวุสตูตหมายความว่าเป็นผู้ทรงทรงจําได้มากแล้วก็มีจริยาดีในก่อนที่จะบริณิพนธ์ในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินทรศรีทรงตรัสกับพระอนุน์ว่าอนันท์โดก่อนอนุน์ เธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อตาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยนที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสนาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระนน์ไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตูเห็นว่าองค์สมเด็จพระบระมครูจะนิพพานท่านยังไม่ได้อดาหาันท่านได้เพียงประสดาบัน <c oughs> พระองค์สำเร็จพระวิธรรมสอทราบจงได้เรียกขุมมาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่านันทาดูก่อนอ น, น์เธออย่าเสียใจไปเมื่อเรานิพานไปแล้วพระธรรมินยสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระวูสุคือผู้ทรงจำแล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัฒนธรรคตปฏิบัติไปด้วย เหตุแห่งสองรการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้สแสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อินมจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศนี่เป็นอันว่าพระวสุตหรือพระหุสจักในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้ แปลว่าจำได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่บอกฟังมากถึกษามากไอ้ฟังมากถึกษามากเนี่ยมันเลยหัวเลยหูไปต่างเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังกันเลยหัวไปไม่ต้องจำอะไรกันได้อันนี้มีถมไปแปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยเวนอันว่าบะหุส จ, จัตในที่นี้ ท่านหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสี่เวลาในการฟังทั้งวันละสีเวลานี้ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จําไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนําท่านถ้ามันไม่บาปว่าท่านงหลายควรจะผูกคอตายเสียหมด ก็ไม่มีโอกาสที่ไหนที่จะฟังทำคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระบรมนาซูคตถึงวันนาศีเวลาไม่มีที่ไหนเป็นนั้นว่าถ้าเอาท่านหลายยังฟังเท้าศีเวลาแล้วยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ดิกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้ขัดคอกันบ้างมีอรมณ์ขวางกัน ไม่รู้จักคนหนักคนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของภาคกาสาวพัดฟังคําสั่งและคําสอนตามแนวที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัส ฟังกันทั้งวันละสี่เวลายังเอาดีไม่ได้ก็ย่อเหมือนกับพูดกับท่านในบทจมั้งวันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เร็วกว่าหมาเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งทไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามก็ไม่อยู่ในเขตข้ากาสาวัต ฟังกันอย่างนี้จกนกระทั่งฟังมากถึงสอนสีวาระจําไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่เพืเปลืองขอบเขตก็มาศาสนาทําไมเปรานั้นว่าความประพฤติคนนี้องค์สมเด็จพระจอมตจให้ถือว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จําได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลเพียงว่า ความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลหวยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครเขาจะแปลมาก็ช่างไปเป็นนั้นว่าท่านหลายจำไม่ดีว่าความระพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อที่เก้าองสมเร็จพระจินสี้องกล่าวว่าวิริยะมีความเพียร ความเพียร น, นี้ผู้ก็ย่างยอ่อคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรินกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว <c oughs> สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วแบบฉบับมีอยู่แล้วกายกรรม กรรมการทำทางกายชั่ววาจีกรรมทำทางวาจาชั่วมนโนกรรมคิดชั่วเวราะนั้นความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางนิตรรศทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะส่งสมมานับเป็นแสนส ห, ลหลายหลายสงไข่กับก็ตามที แต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกข้อองสมเด็จพระจิ น, นสีบรมศาสตร์สดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มันจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันคบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความนักมันก็ต้องดึงต้องดัน ต, ต้องต้านทานด้วยริยการทั้งปวงแต่เราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านมันก็ไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตก็ น, นิดหน่อยเป็นของธรรมดา <c oughs> เป็นอันว่าวิริยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภากเพียนเพื่อทาลายความชั่วให้พ้นไปจากจิต ความชั่วของจิตมีอะไรพัฒ น, นากันจะไววไหมหนึ่งส ก, กายาทิฏฐิเหตุและภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่ว <c oughs> สองมีจิกิฉามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเพียงเพพิจารณานี่ชั่ว สามสีรพตารามาตรไม่รักษาศีลให้เด็ดขาดเป็นกู้หมกพล่องในศีลใช่ไม่ได้ชั่วสามกามราคะพอใจในกามรมคุณชั่วสี่ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเจ็บบาดชั่วห้าน ด, ดีแลก็หก หลงอยู่ในรูปรชาญเจ็ดหลงในรูปรชาญชั่วแปดหลงถือตัวถือตอนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรยวกว่าเขาชั่วเก้ามีรมผูดสั้นไม่จับพนิพานเป็นอารมณ์ชั่วสิบไม่เข้าใจในเรียสัตว์ที่เรียกว่าวิชานิชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้งสิบอย่างนี้เราต้องทำลายให้หมด เพื่อให้เข้าถึงความดีที่องสมเด็จพระบรมสุคตสาสดาส ม, มาสมุทัิเจ้าทรงแนะนำเราแตรเดว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจารณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่ากันได้เพียงเก้าข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเส็จแล้วต่อจนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟังการแนะนำในการปฏิบัติกรรรมฐ า, าน